ความฝันกับความจริงเนี่ยบางทีมันคล้ายๆกันนะท่านผู้ฟังคือถ้าท่านผู้ฟังเคยฝันฝันบางฝันบางครั้งจะเป็นฝันตอนนอนกลางวันก็ตามหรือว่าฝันตอนนอนกลางคืนก็ตามบางทีเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเหมือนจริงจนบางครั้งตื่นขึ้นมาแล้วยังแยกไม่ออกว่าเอ๊ะนี่เราตื่นในฝันหรือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องจริง แล้วรู้สึกตัวขึ้นหรือมันฝันต่อกันหรื อ, อยังไงคราบพ่เจ้าก็เคยได้ยินคนที่เขาเคยมาเล่าประสบการณ์ฝันแปลกๆให้ได้ฟังมปกันซึ่งทําให้เราต้องมาหวนคิดว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเสียงในความฝันเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเรามาลองคิดๆกันดูเวลาที่เรานอนหลับเราฝันเป็นเรื่องราวต่างๆ ฝันว่าได้ไปกินนั้นนั้นได้ไปที่นั่นได้เจอคนนี้อ่านหนังสือเล่มนั้นเจอเรื่องราวต่างๆสิ่งนั้นมันก็เป็นผัทธะที่เกิดขึ้นจิตของเราเข้าไปรับรู้ได้พัทธะที่เกิดขึ้นทางใจจิตเข้าไปรับรู้ก็เป็นลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันกับที่เราเจอกันอยู่จริงๆเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี้กินก๋วยเตี๋ยวเราพบป่าคนนี้เราจะเจอคนนั้นมันก็ผ่านมาทางตา ได้ยินเสียงนี้ผ่านมาทางหูจิตเข้าไปรับรู้เหมือนกันทุกอย่างมันจะไปรับรู้อยู่ที่จิตเวลาจิตที่เข้าไปรับรู้จะเป็นเรื่องตอนที่เราตื่นแล้วหรือจะเป็นเรื่องที่ตอนที่เราฝันอยู่เนี่ยมันเหมือนกันจริงๆฝันบางครั้งทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนจริงมากๆไอ้ความจริงหรือความฝันที่เราปรากฏขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแยกแยกให้ออก เวลาที่เรามามีภาษะใดภัษสะหนึ่งเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราพบเจอผ่านทางตาทา ง, ทางหูหรือผัษสะที่มากระบในใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความฝันแน่นอนละฝันบางฝันนี่มันจริงมากๆเหมือนเรื่องจริงแปะ๊ะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าฝันเนี่ยจะเหมือนจริงมากๆก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้น เรามีความยึดถือว ok ่าอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้มันต้องไม่ใช่อย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ความยึดถือถ้ามีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับของจริงขึ้นมาทันทีเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเหมือนกับความฝันที่มันเป็นจริงเหมือนจริงมากๆความฝันที่จริงๆมันคือฝันนั่นหละแต่มันดูเหมือนจริงบางคนมีความคิดจินตนาการฝันกลางวันนี่ละ ตือนอยู่คิดนั่นนี่หรือบางคนขณะว่านั่งสมาธิอยู่ก็ตามเถอะนะคิดเรื่องนั้นปรุงแต่งไปเรื่องนี้นะเออมันตอนที่คิดอยู่เพลินไปอยู่ปรุงแต่งไปอยู่เนี่ยเรื่องราวนั้นแหมมันเหมือนจริงนะเป็นความฝันกลางวันที่เราคิดขึ้นจันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ในห้วงที่เราอยู่ในความคิดนั้นถ้าเรามีความเพลินมีความยึดถือในสิ่งนั้นมันเหมือนจริงจริง อ๋อแต่พอเราเริ่มรู้สึกตัวมาเออแหมนั่นเป็นความฝันเราถึงจะค่อยรู้ว่าสิ่งนั้นคือฝันไม่ใช่ของจริงแล้วของจริงคืออะไรคือพันธะทั้งหลายเนี่ยท่านฟังถ้ามีความยึดถือเข้าไปตั้งอาศัยอยู่นะมันเชื่อมกันละมันยึดตือกันละสิ่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากสิ่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากๆถึงแม้ที่เราเห็นกันอยู่ตาต่อตาได้ยินหูต่อหูเนี่ยละ่ะ สัมผัสกันได้อันนี้จริงๆก็เป็นของความในความฝันเหมือนกันเพราะอะไรพระเจ้าเปรียบเจ้าขันห้าเปรียบภาษาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนของในความฝันสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงๆนะท่านผู้ฟังเป็นของในความฝันทั้งสิน้นมันไม่ได้ต่างอะไรกันกับเรื่องราวที่เราฝันอยู่เรากําลังฝันอยู่เรากําลังหลับไหลอ ย, อยู่ คนที่หลับไหลฝันอยู่เนี่ยคือคนที่มีความเพลินคนที่มีความยึดถือคนที่มีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาไม่เห็นตามที่เป็นจริงในภาษาที่มากระทบม่อะไรก็ตามถ้าเราไม่เห็นว่าภาษาที่มากระทบจริงๆมันเป็นอย่างไรสึร่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากเพราะเรามีความยึดถือลุ่มหลงมั ว, มวเมาเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกภาษาที่มากระทบ ทำให้เรื่องนั้นจริงๆคือความฝันแต่มันเหมือนจริงมากๆเหมือนจริงจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริงอะไรคือฝันอะไรคือฝันอะไรคือจริงแล้วจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นความจริงจริงที่มันจริงๆเลยนะท่านผู้ฟังได้เนี่ยก็ <c oughs> ต่เมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงไม่ยึดมั่นในภาระที่มากระทบ เมไรก็ตามที่ถ้าเราไม่ยึดมัน่นไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เพลิด เ, เพลินมาพวะเมื่อะไหรเนี่ยเราจะเห็นสภาพว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราจะเห็นได้เราต้องมีสติพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่น ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นไม่ใช่หมายความว่าไม่หลับไม่นอนนะแต่หลับนอนอยังมีสติหลับนอนอยังมีความระลึกรู้ตัวอยู่ว่าภาษาใดๆที่มากระทบก็ตามมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาขันท่าที่เราเข้าไปรับรู้มีความหลอกลวงเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันอยู่เป็นธรรมดาถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ความจริงนะเราก็เหมือนตกอยู่ในความฝัน ฝันเหมือนจริงมากๆเลยจนแยกแยกไม่ออกคิดว่ามันเป็นความจริงแต่ความฝันที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราคิดว่ามันจะเป็นจริงๆอย่างนั้นเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่หลับไหลเป็นผู้ที่ยังไม่ตื่นฟังเสียงอยู่จริงๆก็ตามเถอะแต่ยังหลับอยู่ลุกขึ้นเดินจงกรมจริงๆก็ตามเถอะเตียงหลับอยู่หลับอยู่จากการที่จิตนัน้นตื่น ตื่นจากเครื่องร้ายรัดตื่นจากเรื่องกลางกัน้นตื่นจากเครื่องผูกพันตื่นจากความมัวเมาเราต้องลุกขึ้นมาเต็มฝั่งลุกขึ้นด้วยกำลังกำลังคือพลังมีความเพียรมีกำลังมีพลังในการที่จะลุกขึ้นไม่เป็นผู้หลับไหลลุกขึ้นด้วยจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งในการที่จะมีสติเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งที่มา ก, กระทบถ้าสิ่งที่มากระทบเมื่อไหร่ มันเหมือนจริงเนี่ยนะเหมือนจริงจงเนี่ยนะจะเป็นในฝันก็ตามจะเป็นความจริงก็ตามเหมือนจริงมากเพราะว่าจิตใจของเรามันธรรมดาที่มันมีความลุ่มหลงหมวัวเมาเพลิดเพลินยึดถือเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นของเราหรือเป็นของใครก็แล้วแต่ถ้าเห็นอย่างนี้คือจิตเราหลับอยู่แต่ว่ามันเหมือนจริงๆริรละ่ะหลับอยู่แต่เหมือนจริงนะอืคือฝันนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราแม้แต่ฝันอยู่ฝันจริงๆด้วย แต่ถ้าเราเห็นผัสสะนั้นโดยความไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปปร้อมกันด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะไม่ยึดถือไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่กำนัดไม่ยึดมั่นผัวพันุ์ในสิ่งนั้น จิตของใครที่ไม่กําหนัดไม่ลุ่มหลงไม่ยึดมั่นไม่มัวเมาไม่พัวพันในภาษาที่มากระทบต่อให้คุณหลับอยู่คุณฝันจริงๆนะแต่ฝันนั้นก็เป็นความจริงจริงๆด้วยไม่ใช่ความจริงหลอกๆแบบความยึดถือต่อให้เราตื่นอยู่ตื่นจริงๆด้วยเห็นภาษาที่มากระทบก็เห็นได้ตามจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่หรือว่านอนอยู่แล้วตื่นอยู่ก็ตามเขาก็เห็นตามจริงในสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เขาพบเจอจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปจะเป็นเพียงผัสสะธรรมดาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผาสสนั้นอาจจะเหมือนจริงก็ตามภาสสะนั้นอาจจะเหมือนกับของหลอกลวงก็ตามมันก็เป็นของหลอกลวงของเขาเหมือนกัน เพราะความที่เขาไม่กําหนัดไม่เปลิดเปลิปล้นไม่ลุ่มหลงแต่เห็นตามจริงที่มากระทบเราจะเห็นภาษานั้นตามจริงที่มากระทบด้วยความเป็นจริงความจริงชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่เขาคิดเครื่องอไรทําให้คุณมาตกอยู่ในความฝันแล้วจะเห็นตามที่เป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามความจริงนั้นก็จะปรากฏอยู่อย่างเป็นจริงอยู่อย่างแน่นอนอยู่อย่างตามที่มันเป็นเป็นธรรมชาติของมัน เราจะทําอย่างนั้นได้จิตเราต้องมีสติทำเป็นฟังสติเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงให้เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่อย่างดีอยู่อย่างมั่นใจเราจะมีที่ตั้งที่ระลึกถึงได้ก็มีสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตของเราพระุทธเจ้าให้ใช้กายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตของเราหรือบางทีเราจะใช้ลมหายใจเป็นเหมือนบ้าสของจิต นะให้ลมหายใจเป็นบ้านที่จะให้จิตมารู้ลึ ก, ลกมาอยู่อาศัยที่นี่เมื่อไรก็ตามที่จิตมารลึกมาอยู่อาศัยที่นี่มีสติอยู่มีภาษาได้มากระทบเราฝึกสติของเราให้มั่นคงให้มั่นใจฝึกไปฝึกไปนะรกเห็นภาษานั้นด้วยความเป็นจริงของมันไม่ว่าความจริงนั้นจะมาในรูปแบบของการหลับแล้วฝันหรือว่าความจริงนั้นจะมาในรูปแบบของภาษา ท, ที่เกิดขึ้นจริงๆณต่นะางตาต่างหู รูปแบบที่มันมาสิ่งที่จะรับรู้แน่นอนคือใจของเราเราอย่าให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่ถูกหลอกถูกหลอกด้วยสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบต่างๆในตะบวงมันเหมือนจริงแน่ล่ะแต่ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นในใจอย่ว่ามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างนะที่เขาเคยทดลองให้คนนี่แหละหนะลับตาลองนึกถึงเวลาที่ตัวเองกินมะนาวมันเปรี้ยวจี๊ดเนี่ยลิ้นเนี่ยไม่ได้แตะผลมะนาวด้วยซ้ําไม่ได้แตะน้ํามะนาวด้วยซ้ํา แต่ว่าก็มีน้ำลายไหลออกมาเหมือนเวลาที่เรากินน้ำมะนาวจริงๆ่ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมะนาวเลยไม่ได้เห็นมะนาวจริงๆไม่ได้ดมกลิ่นมะนาวจริงๆแต่ว่าจิตมันไประลึกถึงมันไปก้าวลงตรงนั้นทำให้มะนาวที่อยู่ในสมองของเขาเขาแค่นึกถึงล้วนั้นมันเหมือนจริงๆจริงๆกินมาไอความจริงที่หลอกๆเนี่ยนะเราจรึงต้องเข้าใจมันได้ดีแต่ว่าความจริงที่หลอกมา ในรูปของผัสสะเรื่องนี้เรื่องจริงเขาจะจัดการเราจริงๆแต่เขาจะทําอย่างนี้จริงๆให้การนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นความหลอกที่มาหลอกเราในรูปของความจริงที่ทําให้เราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงแต่มันเป็นเรื่องหลอกมันเป็นฝันทั้งเส้นเลยตอนที่เราฝันอยู่ฝันจริงๆด้วยนะมันเหมือนจริงๆรจนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงแต่พอเราตื่นมาฝันนั้นกลับหายหมดบางคนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแต่บางทีเขาฝันต่อกัน เดนะวันนี้ฝันเรื่องนี้อาทิตย์ต่อไปนะก็ฝันเรื่องต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยเดนะเหมือนดูในละครแต่เป็นฝันจริงๆที่เกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วนะอย่างงี้ก็มีซึ่งทําให้เราบางทีสับสนว่าไอ้ความฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยสงสัยมันเป็นเรื่องจริงหรือทําให้เรายิ่งสับสนไาอีกว่าไอ้ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือมันฝันกันแน่ข้าพเจ้าจะบอกให้ทุกอย่างน่ยท่านฟังเป็นความฝันทั้งสิ้น เป็นความฝันสั้งสิน้นถ้าเมื่อไรเรายังไม่เห็นจริงๆว่าจริงๆแล้วไอ้ความฝันนั้นมันเป็นยังไงว่ามันจริงยังไม่จริงอย่างไรเราจะเรียกว่าเราก็ยังฝันอยู่อย่างเป็นผู้หลับไหลนะมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งอ่าบางนะถู ก, กเกเกี่ยวโดยผัสสะทั้งหกบางไหลไปตามการกระทบของสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทาให้ไอ้ความฝันที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนจริงแต่แน่ละ่ะ สิ่งที่เราจะรับรู้ให้เห็นตามจริงได้ต้องมีสตินะจิตนี่แหละจะเป็นผู้ที่รับรู้ความจริงตามที่มันเป็นจริงได้เราจะรู้ได้ไงความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะเราอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่จริงๆแล้วเราเคยสัมผัสความจริงเช่นนี้มาก่อนในเวลาที่เรารับรู้มีสติในอยู่กับลมหายใจการ шего. ที่เรามีสติ อ, อยู่กับลมหายใจแล้วเรารับรู้สิ่งที่มากระทบจะเป็นทางตาก็ตาม ทางหูก็ตามอันนี้คือให้ตื่นอยู่นะตื่นอยู่ตื่นอยู่แล้วมีสติอยู่กับลมหายใจได้ยินเสียงทางหูได้รับรู้กลิ่นทางจมูกเห็นรูปด้วยตาแล้วเราไม่ยึดถือนะไม่หมายมั่นโดยความที่มันเป็นแยกเป็นส่วนๆหรือไม่หมายมั่นโดยความที่มันเป็นของภาพรวมทั้งหมดนะเพื่อไม่ให้อกูสรธรรมเกิดขึ้นในใจนะเป็นผู้ที่มีสติ อยู่กับลมหายใจการมีสติของเราตรงนั้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ได้อกุศลธรรมเช่นความเพลินความลุ่มหลงแต่ความมัวเมาความยึดมัน่นความเห็นว่าเป็นตัวเราของเรามันจะไม่เกิดขึ้นบุคคลที่เห็นอยู่อย่างนี้แตย่อมเบื่อหน่ายในภาษาที่มากระทบคือชื่อว่าคุณเห็นจริงแต่คนที่เห็นจริงว่าจริงๆไอความฝันที่นมาในรูปของความจริงเนี่ย จริงๆแล้วมันคือความฝันนั่นละ่ะเห็นจริงอยู่อย่างนี้ย่อมมีความหน่ายโอ้ยนี่มันฝันนี่วะอ้าวหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดก็ตื่นเถอะคลายกำหนัดแล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็ย่อมหลุดพน้นหลุดพ้นแล้วจิตจะสบายจิตจะเห็นตามที่เป็นจริงหลุดพ้นจากการเก่อเกี่ยวหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดหลุดพ้นจากความยึดมั่นตือมันในภาษาที่มันจะมาเก่อเกี่ยว ยึดถือทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทาให้เราวันไหวไปตามภาษาที่มากระทบพอเราลุกขึ้นได้ระลึกถึงได้มีกําลังมีพลังอยู่ในใจใจอย่างนี้แหละตัง้งหังคือจิตที่เป็นจิตประพัดสอนจิตประพัสอนจะไม่วันไหวไปตามกิเลสเนือที่เป็นอคันธุกะจอดมากิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอคตรตุกาจอดมาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปัจจ จะไม่สามารถที่จะมาเกาะเกี่ยวทําให้ใจที่ประพันธ์สอนนั้นเศร้ามองได้เลยแต่หลายคนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ตามไม่เป็นรูปแบบก็ตามเพราะจิตรวมลงไปเป็นสมาธิในสภาวะตรงนั้นในจิตแจ่มใสมีความร่าเริงมีความอิม่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นแม้เสี้ยววินาทีเดียวในสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นดีแล้ว แต่เราไม่ได้กำหนัดรุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นดีแล้วแต่ชื่อว่าแม้ตอนนั้นนะคุณจะหลับตาอยู่ก็ชื่อว่าใจนั้นตื่นอยู่ใจนั้นเห็นความจริงอยู่ความจริงนั้นจะปรากฏในรูปของความฝันหรือความจริงนั้นจะผ่านมาทางตาทา ง, ทางหูจริงๆนะก็เป็นความจริงทั้งสิน้นเป็นความจริงที่จิตนั้นเข้าไปรับรู้ได้เป็นความจริงที่จะทําให้ใจของผู้ที่รับรู้ตรงนั้น นั่เป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะอิริยาบถไม่สําคัญเลยบางคนอาจจะนอนอยู่บนเตียงเป็นไข้จะดจ่ายในะ จ, จ, จยตื่นอยู่บางคนอาจจะสบมด้วยอาการไข้ที่เกิดขึ้นแต่ใจนั้นห้าวหาญตื่นอยู่บางคนอาจจะเดินอยู่นะจจะไม่กล้าทําอันนั้นไม่กล้าทําอันนี้แต่ก็เป็นใจที่ตื่นอยู่นะบุคลิกต่างๆภายนอกอาจจะเป็นไปยังไงก็ตามแต่ถ้าจิตมีคุณสมบัติอย่างนี้จิตเขาเป็นจิตที่ดี เป็นจิตที่มีการระลึกถึงมีสัมมาสมาธิมีสมาสติอยู่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะทุกฝังแน่นอนต้องฟังทำอยู่เรื่อยๆ่ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำการฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั่นคือความเปลี่ยนของเราในการที่เรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธ า, าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาที่คือความมั่นใจว่าเฮ้ยวิธีการมันมีอยู่คือถ้าเรามีความสงสัยว่า เอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ได้ยินอยู่ระลึกรู้อยู่สัมผัสอยู่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่มันเหมือนกับมันมีอะไรหลอกหลอกอยู่มันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันมันบ่ายเบียงความเป็นจริงอยู่แต่มันมีอะไรที่แฉฉนช่อฉนปิดเบือนอยู่นั่นในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินในรสอาหารที่เรากินในกลิ่นที่เราได้เดี่ยวความรู้สึกอันเนี้ยท่านผู้ ความรู้สึก น, นี่คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตามเป็นจริงที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยจริงนะเวลาเราตื่นมาเราเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่ง น, น, น, งนี้ได้กลิ่นสิ่งนั้นด ม, ส, นนนมดสิ่งนี้น้ริมรถสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมันไม่ค่อยเที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรเปลีนอยู่นะตรงนี้คือคุณเข้าข่ายในความที่เป็นโซดาปฏิมักด้วยซ้ํำโซดาปฏิมัก ค, คือผู้ที่เห็นอย่างนี้เห็นอยู่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ค่อยเที่ยง เห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจในด้วยความไม่เที่ยงอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายหนาคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้ายังไม่สามารถที่จะทําจิตให้มันเตื่นจริงๆนะจินจากความฝันเห็นของจริงๆนะอย่าเพิ่งตายเพราะว่าจิตกุลนั้นพร้อมพร้อมในการที่จะทำไอ้เจ้าไอ้เครื่องร้ายรัดนะให้มันหลุดออกไปทําจิตของเราให้เข้าถึงความเป็นปรัชสอน เพระมื่อไหร่ที่เราทําจิตของเราให้เข้าถึงความเป็นประพัฒสอนเนี่ยมันแน่นอนล่ะในจิตของเรานั้นจะสบายแล้วไอ้ความที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่มากระทบโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความไม่ใช่ตัวตนบ้างสิ่งนี้บางทีมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างในอยู่ที่เพื่อนฝูงด้วยก็มีอยู่ที่สถานที่ที่เราอยู่ก็มีในหรืออยู่ที่ว่าความรู้พื้นฐานเรามาเป็นยังไงก็มีอยู่ที่การอบรมสั่งสอนต่างๆมัน หลายอย่างรวมกันทำให้เรารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกทําให้เรามีความเห็นอย่างที่เรามีความเห็นอยู่ปัจจุบันซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นการง่ายที่เราจะได้เกิดมาสู่ภพภูมิปัจจุบันมาอยู่ในสถานะที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือพบพหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นการยากที่ใช้องค์ประกอบต่างต่างแ้นมันลงตัวเหมาะเจาะในการที่เราเอ้เราก็ได้ฟังธรรมะด้วยในการที่เราเออเราก็ได้อ่านหนังสือธรรมะด้วยในการที่เราเออเราก็ได้ปฏิบัติธรรมะด้วยได้รู้ได้ฟังได้เห็น ในสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งเราหาไม่ได้ง่ายๆนะธรรแต่เป็นการยากที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะได้ความเป็นมนุษย์เป็นการยากที่จะมีผู้ชามาอุบัติขึ้นและเป็นการยากที่คำสั่งสอนที่พระเจ้าสอนไว้นะ่าจะมั่นคงสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะแพทั่วไปอย่างไพสารแต่ตอนนี้เราได้แล้วเราได้สามอย่างที่จะได้อย่างได้โดยยาก ไม่อยู่กับเราแล้วแตคือการที่เราได้ความเป็นมนุษย์คือการที่ยังมีคำสอนของพระเจ้าําพระกฏอยู่ในปัจจุบันเรามารู้พยายามทําการศึกษาในคำสอนเหล่านี้จะทําให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่เห็นตามจริงพอเห็นตามจริงแล้วมันมีความมั่นใจมีความมั่นใจว่าแม้ใครคนอื่นที่เขาทาอย่างเดียวกันกับที่เราเคยทามา กับที่เราพระอรันสาวกหรือพระพรุจาพาธรรมมก็จะได้เห็นตามจริงเหมือนกันคนบางคนท่านฟังคิดว่าตัวเองตื่นอยู่แต่จริงๆยังมีความหลับไหลใจใจยังไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงคือตื่นในลักษณะที่ว่าลืมตาตื่นเฉยๆแต่ใจยังหลับไหลให้เราเป็นคนที่ต่อให้กายเราหลับแต่จิตเราตื่นต่อให้กายเราตื่นตาเราเปิดอยู่จิตเราก็ตื่นด้วย นั่นคือถ้าบอกว่าตาเราหลับอยู่แล้วจิตเราหลับด้วยโอัน oh, นี้แย่มากขี้เกียจน่ะไม่ยอมลุกตาหลับด้วยจิตก็หลับด้วยน่ะฝันนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะไปเที่ยวหาหมอดูนั่นนี่โน่นอีกเป็นเรื่องใหม่ไปเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นคนลักษณะที่ใจให้ตื่นด้วยใจใ้ตื่นอยู่แล้วกายคือตาจะหลับหรือตาจะเปิดก็ตามแต่ให้ใจตื่น ใจจะตื่นได้จิตตุนต้องมีสติใจตื่นได้เมื่อมีจิตมีสติมีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงถ้าจิตเรามีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงเป็นจิตที่ตื่นอยู่ต่อให้ตามันหลับแล้วฝันความฝันนั้นก็จะไม่ใช่ความฝันที่คุณคิดว่ามันเป็นจริงจริ ง, รงแต่ความฝันนั้นจะปรากฏแก่คุณแต่ความฝันนั้นจะปรากฏแก่ผู้ที่มีจิตตื่นนั้นตามที่เป็นจริงต่อให้เราตื่นอยู่ จิตตื่นด้วยตาเปิดอยู่ด้วยสิ่งที่มากระทบนั้นที่ดูเหมือนเป็นเรื่องจริงแต่เขาก็ด้วยจิตที่ตื่นอยู่ก็จะทําให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นธรรมดาการที่เห็นว่าสิ่งที่นั้นมีความหลอกลวงเป็นธรรมดานั่นคือเห็นตามจริงจิตที่ตื่นอยู่จิตเปิดอยู่จะเห็นจริงในความจริงว่าเป็นของหลอกลวงจะเห็นจริงในความฝันว่าจริงๆมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของในความฝันเราเห็นจริงได้ด้วยตาที่อยู่ข้างในนั่นเ่า เป็นตาธรรมะคือธรรมะจักสุธรรมะจักสุที่เปิดขึ้นจะเปิดได้ธรรมะจักสุเนี่ยนะตาข้างในใจเนี่ยจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราละความยึดถือความมัวเมาความเพลิดเพลินในเจ้าขันธ์งาให้ได้ขันธัง่าคืออะไรขันธ์ง่าคือรูปกายของเราเนี่ยแหละธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ขานหน้าอกคือเวทนาคือความรู้สึกบมื่อที่เรารู้สึกพอใจเรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เรารู้สึกเฉยเฉไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างความรู้สึกเนี่ยเราอย่าไปยึดถือมันความหมายรู้ความหมายรู้สีเขียวสีแดงความหมายรู้ว่านี่เป็นเสียงภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษความหมายรู้ในความร้อนความเย็นความหมายรู้นั้นก็อย่าไปยึดถือมันการปรุงแต่ง จะเป็นการทางกายทางวาจาหรือทางใจหรือแม้แต่การรับรู้สิ่งที่เรารับรู้ทางตางทางหูพวกนี้เป็นของในความฝันทั้งสิน้นพวกนี้ให้เห็นตามจริงว่ามันไม่มีค่าอะไรในการที่เราจะยึดถืออไว้เลยถ้าเราสามารถที่จะละไอความยึดถือออุปทานในขันท่างห้าได้ความจริงจะปรากฏชัดแจ่มชัดแก่เราไม่ว่าขณะนั้นเราจะหลับตาอยู่อยู่ในท่านอน หลับด้วยหรือว่าขณะนั้นเราจะลืมตาอยู่อยู่ในท่านั่งตื่นอยู่ด้วยก็ตามความแจ่มชัดตรงนี้ใช้ปรากฏชัดแกเราได้เพราะจิตนั้นไม่ได้เป็นจิตที่ถูกหรอกไม่ได้เป็นจิตที่ตกอยู่ในห่วงเห็งความฝันต่อให้ตาเปิดอยู่ก็ตามก็เป็นจิตที่เห็นตามที่เป็นจริงต่อให้ตาเปิดหรือตาปิดอยู่ก็ตามแต่เวลาที่เราเห็นให้มองให้ทะลุอย่ามองด้วยตานอกเฉยแต่ให้มองด้วยตาคือธรรมะ ดวงตาคือธรรมะธรรมะจากสุอยู่ในใจของเราดวงตาตอนนั้นอยู่ตรงไหนรับรู้ตรงไหนได้ล่ะรับรู้ตรงไหนได้ตรงไหนมันจะยึดดวงตาอยู่ตรงนั้นตรงไหนมันจะเพลินดวงตาอยู่ตรงนั้นตรงไหนมันจะกำหนัดดวงตามอยู่ตรงนั้นเปิดออกคลี่ออกจะทําความสะอาดได้นะท่านผังเปิดออกคลี่ออกเปิดออกคลี่ออกมันจะเพลินตรงนี้ นั่นธรรมาจากสูเกิดขึ้ น, นตรงนั้นได้มันจะกำหนดตรงนี้มันจะลุ่มลงตรงนั้นธรรมาจากสูจะเกิดขึ้นตรงนั้นและตรงนั้นให้เราเห็นตามจริงในขณะฟันเราก็เห็นจริงได้ในขณะตื่นอยู่เราก็เห็นจริงได้เห yes. ็นจริงได้ด้วยธรรมาจากสูที่อยู่ภายในใจให้เป็นผู้ที่ตื่นลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วทำความเพลียนทำความเพียนตรงนี้แหละสะสมไปสะสมไปสะสมไปเราจะเป็นผู้ที่ตื่นจริงๆ ตื่นจากความหลับไหลตื่นจากอวิชชาตื่นจากกิเลสตัณหาที่มันทับถมร้อยรัดรึงรัดเราให้อยู่ในภพให้อยู่ในความเพลิดเพลินลุ่มหลงเราถูกขังอยู่ในสังสารวัฏท่านผู้ฟังตื่นได้แล้วลุกขึ้นออกจากสังสารวัฏไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปมาเลยในตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นั่นคือนิพพานวันนี้ข้าพเจ้าพระใบบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อน และท่านทุกผู้ฟังฟังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ดูไม่เห็นมีความสงสัยในเรื่องใดๆก็อย่าลังเลที่จะเขียนจดหมายมาถามแต่โดยการส่งมาที่เว็บไซต์เ e ี w ว h a m ม .com/puredha.mm.com หรือว่าส่งมาที่วัดป ah ่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้เราเป็นผู้ที่มีสติ แต่ผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อจะอยู่ในท่าใดๆก็ตามชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทำความเปลี่ยนเผากิเลสอยู่เป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อความเป็นอานาจอยู่ในอานาจของกิเลสเป็นผู้ที่ปราศรความเปลี่ยนให้มีความมั่นใจในคาส่งของพระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่ตื่นด้วยใจและมีธรรมะจักษุอยู่ในใจจจริญัร